915. สังโยชนสามเป็นฉนหนสังโยชนสามคือหนึ่งสักกายติทิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยรังเลไม่แน่ใจ 3. สีรับพระตับปรามาสความถือมั่นศีลพรษบรรดาสังโยชนสามนั้นสักกายทิทิเป็นฉนหนผู้ทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับ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 ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นต้นเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนหรือพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเป็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปราชมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นฉไน พุทธชนเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาย่อมเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมย่อมเครือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ย่อมเครือบแคลงสงสัยในสิกขาย่อมเครือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตย่อมเครือบแคลงสงสัยในส่วนอนาคตย่อมเครือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ย่อเคลือบแคล ง, งสงสัยในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาสีรละพระตรรามาตเป็นฉไน สมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรต ด, ด้วยศีลและพรต ด, ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปลามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลับพตปรามากเหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์สาม